ท่านศาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมมันจะมาขอโอกาสแสดงธรรมเทศนาในลักษณะของการบรรยายธรรมเพื่อความสะดวกบางอย่างว่าข้อที่จะบรรยายในครั้งนี้จะสืบเนื่องมาจากการบรรยายเมือ่อตอนบ่ายบนภูเขา <c oughs> ด้วยมีความประสงค์อย่างยิ่งในการที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องอธรมยาตาโดยเฉพาะผู้มาใหม่ ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ <c oughs> ได้ยินได้ฟังแค่ครั้งเดียวไม่อาจาาจะขัดใจได้อย่างทืวยถึงเดี๋ยวกาจจะลืมเดี๋ยวจะเลือนหายไปหมดดังนั้นขอบรรยายเรื่องเกี่ยวกับอธรรมยตาเพิ่มเติมอีกสักครั้งใครแต่ว่าอธรรมยตาขึ้นสมองก็ได้ไม่เป็นไรขอให้สนใจฟังสนใจฟังอย่างยิ่งเพื่อสําเร็จประโยชน์เรื่องนี้จะเรียกว่าเป็นเรื่องควันหลงของอธรรมยตาก็ยังได้เหมือนกันแต่หัวข้อเรื่องจริงๆนั่นคือว่า อตรรมายตากับธรรมจักจะพูดเรื่องอาตธรรมยตากับสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักถวันนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่แสดงธรรมจักหมายความว่าต้องประกาศอานาจโดยทางธรรมจักให้แพร่ไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่งกระแพ่ไปยังลัทธิาศาสนาอื่นๆที่มันขัดแย้งกันอยู่นั่นแหละคือไม่ใช่เป็นศาสนาเท่นั่นแหละต้องประกาศธรรมจักไปในหมู่ ดาวฤทษ์เหล่านั้นมีจะกวาดล่างแฮสิ่งที่เป็นมิจฉาพิภีออกไปให้เป็นโลกที่มีแสงสว่างแต่ว่าคาพูดอย่างนี้มันโอหังมันยกหูดูหามมันไม่ไม่ใช่วิสัยของพรุทธเจ้าเขาจำไว้แม่นยำเป็นการตักเตือนกันครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ า, าท่านพื้นหลักไม่กล่าวคาขัดแย้งกับใครลในโลกเทเ ว, ลโลกวโลกมารโลกพุทโลกหมู่สัตว์รอมทั้งธรรมระฆังมันคือมันหมดทั้งสิ้นแหละให้ไม่กล่าวคําที่จะ เป็นการขัดแย้งกับใครกครในทุกๆโลกและท่านจะใช้คําว่าประกาศธรรมจักเราจะใช้คําว่าประกาศธรรมจักกันแทนที่ใช้คําว่าคัดค้านหักลา้างพวกอื่นหรือลทัทธิอื่นนี่ไม่ต้องมีการประกาศธรรมจักนี่มีความหมายบริสุทธิ์ไม่เป็นการกระทำเพื่อเหยียดย่ำผู้ใดทําลายผู้ใดขัดแย้งผู้ดใดนี่เขาให้สนใจอ ย, อย่างนี้ ที่นี้เราก็จะดูกันในแง่ของการประกาศธรรมจักรส่งทีมีอำนาเรียกว่าจักรคืออาวุธือสญญาานหรือภาพอาวุธที่เขาเรียกกันสมัยนี้เนี่ยสมัยโน้นเขาเรียกกันว่าจักราสิ่งที่เรียกว่าจักรมันมีคมแผไปถีนไหนก็สามารถจะบุกเบิกออกไปได้แล้วในลักษณะธรรมจักรนี้โดแล้วปฏิว่าไม่มีใครอารจจกต้านทานทงยันธรรมจักรเป็นไปแล้ว ใ, ใครในโลกทังโลกภาโลกมตโลกสนทราหล่านี้ไม่อาจจต้านทานนี่อาการของ มันจะมีความหมายสั้นว่ามันตัดตัดตัดุกทุกอย่างที่ควรจะตัดหรือจะตัเพรามหมายของธรรมยถาก็เป็นอย่างเดียวกันแหละต้องการจะตัดหรือเพถอนในสิ่งที่มันไม่ควรจะมีหรือสิ่งที่มันเหนียวรังไห้ในกองทุกข์ผูกพันไห้ในกองทุกข์ตัดมันให้ขาดออกไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าจักแล้วก็ยังเป็นธรรมะจักหรือจักของธรรมะมันจะจักอย่างที่เขาใช้ใช้กันในการสงครามจธรรมะนี่สามารมจะเข้ไปได้ในที่ทุกแห่ง แม้ในจิตของคนจากนี่สามารถจะบุกเบิกไปในจิตของคนไม่ใช่เพียงแต่จะแล่นไปทั่วทั่วโลกหรือภายนอกแต่ถ้าเป็นภายในแคือจิตใจของคนนถ้าไปกวาดล้างสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจของคนถ้ามันออกไปเสียก็เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดสงบอิสระไม่มีความทุกข์ใดๆเหลืออยู่ได้เลยนั่แเราเร่งเร่งความหมายของขธรรมจักรในลักษณะนี้ ถ้าแพ้ไปท่วโลกก็หมายควม่าโลคภายในจิตใจคนไอ้โลกภายนอกนั้นมันก็รบราคาปันกันดิจัดมันดาสามันตัดเลือดแดงฉานนี่ไม่ต้องมีการตัดที่เรียกว่าเลือดแดงฉานแต่มันตัดทิ่มไปนั่นกี่ก็ไปตัดอาวิชาตัญหามานะทิฏฐิในจิตใจคนเปนก็ยนไปนี่ก็ตัดโลกภายในซึ่งจ้องเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโลกภายนอกนั้นมันขึ้นอยู่กับโลกภายใน ถ้าแก้ปัญหาจะเป็นโลกภายในได้ปัญหาของโลกภายนอกมันหมดตามไปเองเพราะว่าโลกภายนอกนีมันเกิดมาจากโลกภายในมันออกมาจากอิทธิพลของโลกภายในมันคิดก่อนแล้วมันก็ออกมาก็สังเกตเห็นได้แล้วว่าการพัฒนาการสั่งการการทําความเจริญต่างๆนานาเหล่านี้มันออกมาจากความคิดในภายในโลกภายนอกมันจึงขึ้นอยู่กับโลกภายในเป็นความคิดของมนุษย์ถ้าโลกภายในได้รับการชำระสสตว์ร้ายถูกต้องความแพบบริสุทธิ์หมดจด มันก็จะมีผลออกมาถึงโลกภายนอกดูจิตใจชนิดนั้นนั่นจะสร้างโลกภายนอกให้เป็นโลกที่งดงามน่าอยู่น่าดูเดียวนี้กุณดูถึงโลกของเราไม่น่าอยู่เต็เนไปใยสิ่งที่เรือร้อน ร, รําคาญรู้ได้ในข้อที่ว่าต้องเพิ่มคุกตารางเพิ่มตารวจเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลประสาทเพิ่มโรงพยาบาลบ้านสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มมากกว่ายิ่งกว่าการเพิ่มของจำนวนคนในโลกที่มันเพิ่มขึ้น นี่ก็เพราะว่าการพนาเนี่ยมันไม่ถูกต้องโลกนในทายนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันให้างกันแต่เรื่องอายนอกการศึกษาทั้งโลกระดับอนุบาลเด็กก้มมือกัไปถึงระดับมหาวิทยาลัยอถูรไหมัน <c oughs> พูดกันแต่เรื่องโลกวัตถุนี่ก็เรื่องทางวัตถุนอกจากนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องทําให้คนฉลาดฉลาดฉลาดท่าเรียวฉลาดจนท่าเดียวไม่สองหนึ่งบังคับความฉลาดอาตมาเขาประกาศตรงๆว่าในบูชาในชอบไม่นับถือระบบการศึกษาของโลกในปัจจุบันนี้ทั้งโลกเลย พ่อแมมันสอนแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดอย่างเดียวมันไม่ควบคุมความฉลาดแล้วคนเอาความฉลาดนี่ไปท้าประโยชน์ของตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งว่างขวาว่ามันฉลาดทีมันให้กันมาแต่ความฉลาดมันไม่ให้ความรู้สึกผิดชอบผิว ด, ดีหรือธรรมะจะมาควบคุามาความฉลาดการศึกษาแบบนี้มันก็มีแต่จะทําให้โลกเนี่มีวิกฤตการณ์มากขึ้นมากขึ้นขอดูมีแต่จะต้องเพิ่มช้าเพิ่มรียนจําเพิ่มตำรวจเพิ่มโรงพยาบาลวิจริตรมากขึ้นมากขึ้นเพราะการศึกษามันไม่ถูกต้อง มันจึงต้องคิดเอไปว่าจะทํากันอย่างไรที่ภายในจิตใจหรือโลกในภายในของมนุษย์นั้นจะเกิดความถูกต้องหรือไม่มันจะต้องเอาธมะนี่ขับไปไปขะบไล่พิจารณิติกาเห็นแก่ตัวเห็นแก่วัตถุเห็นแก่ร่างกายโดยไม่เห็นแก่จิตใจที่รู้จักกันแต่เรื่องทางร่างกายทางวัตถุนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารหรือน่ากลัวทั้งหลายลองใช้เวลานิดหน่อยเดีที่ันดูว่าบ้านเมืองที่จเจริ่มแล้ง ไม่เคยไปก็ได้ดูรูปถ่ายก็ได้เมืองอกเมืองหนาบ้านเมืองที่เป็นมหาประเทศใหญ่โตเนี่ยมันมีจึกรามมีสิ่งก่อสร้างอย่างไรหรือกะกล่าวเนี่ยไปเทียบดูกันกับรูดูโรงไม้หรือกระถ่อมของคนป่าสมัยนี้ยังไม่เคยทุ่มานมันในเรกอาอิฐแม่สกรมันทำเต็มไปได้มันก็อยู่โรงไม้อยู่กระถ่อมปตาเรื่องทีนี้เทียบเทยบดูขึ้นขึ้นร่องบินดูบ้านเมืองที่มันใหญ่โตมันก็ลากสไตา์การนะแล้วก็เรียบเทียบดูแต่บ้านคนป่ากระท่อมคนป่าที่รูของคนป่าแต่มันตามกันมากนะนี่ความเจ แต่เราไปดูที่ตัวไอ้ความสงบสุขความสงบสุขมันไม่มีเพราะมันมีความต้องการมากเกินไปมันมีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปคนฝ่ามันโง่มันไม่รู้จะเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่ได้รับการศึกษาให้ฉลาดเมื่อนคนสมัยนี้ที่ศึกษาให้ฉลาดแล้วไปใช้สำหรับเห็นแก่ตัวมันเลยรบราค่ากันกันมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเจริญยิ่งเจริญแล้ก็คือยิ่งใกล้มิขสัญญียิ่งเจริญยิ่เจริญคือยิ่งเดินไปใกล้ใกล้มิขสัญญีที่จะฆ่ากันกันมันก็ขาบเนื้อฆ่าปลา แล้วก็วินากันหมดคือทั้งโลกเหลือมีกี่คนมันตกลงกันใหม่ข้อความอย่างนี้ก็มีอะไระบารีนะยิ่ข้อความที่คุณนอกพุทธศาสารระนาเขา ม, มีเขาอปรการเขาประเชิญประเชิญกัน อ, อ, อย่างนั้นความนุษย์นี่มันจะเดินจะเดินะนะอายุมสัสั้นข้าศัรข้าศัตเพราะความยากมันมีมากกว่าเวลาที่จะอานวยคําเร็จตามความยากอ ย, ากอย่างนี้แต่อายุมันสั้นความต้องการมันมากเวลามันเร็วไม่ทันใจแต่อายุมันสั้นก็คือกิเลศมันมากนไม่คำว่าอายุมันสั้น อายุมันจะสั้นสั้นสั้นไปทุกทีทุกปียังกลายป็อุปมาว่าอายุสิบปีห้าปีรีเดียวตายอายมันสั้นใเพราะความยากมันมากเลยประมาณเวลาไม่พอกำหนดใช้ทำตามการยากพอเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวรุนแรงรุนแรงจนปางโง่จนไม่รู้จะเห็นแก่ตัวจริงแตเห็นมันน้อยมากอย่างว่าเพียงแค่นี้วันถ้าเราเชื่อถือเอาหรือถือเอาตามความเก่าๆในบาลีมนุษย์สมัยดุริยางค์นั้นไม่ได้ันหน้าครับไปเก็บข้าวตัลี ที่เองอยู่ในป่าไกินไปเก็บเช้ากินเช้าไปเก็บเย็นกินเย็นอะไรที่มันมีอยู่ในโลกในแผ่นดินไปเก็บมาเก็บเช้ากินเช้าเก็บเย็นกินเย็นเนี่ยมันไม่ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเห็นกับตัวต่อมามันมีคนตลาดมานี่มาคูเอามาทั้งชาติเปนเลนออกไปทีเดียวเอามาให้พรท้ชาติเป็ย็นนี่มันเริ่มเรื่มเห็นกับตัวต่อนาคนตลาดกันคูก็ทำดุ่มทำช้ำไปเก็บมาใส่ลุ่มใส่ช้างะในป่ามันก็ไม่พอมันก็ไม่พอทำงามันก็ต้องทำกับกิจกรรม ต้อปลูกข้าวนันที่จะก่อยแกองออกจากในป่า น, นี่ก็ฉลาดต ล, ลาดมาในทางที่เราเห็นกันตัวทีได้ทีเดียวมันกล้ใกล้สัวสวตวไ์ได้ฉันมันโง่ที่เห็นหรือวะมีเรว่างไรโลกภายในนะ่ะมันสกรปรโลบลุงรังม า, มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในจิตใจในะ่ะ ต, ตามความเจริญของโลกนี่แหละเอาทีหลายคนคงจะคิดว่าไอ้ตานี่บ้าพูดอะไรไม่นิยมเรื่องสความเจริญในโลกความเจริญของโลกที่ความเจริญเป็นเรื่องจะเรื่องอย่างไรรับเห็นเป็นเรื่อง เลวร้ายจเริญอย่างเห็นแก่ตัวทำไปตามธรรมดามันได้น้อยไม่พอไปตามต้องการต้องใช้วใชความเห็นแก่ตัวใช้ความโคโกงก่อโกยทุกสิ่งทุกอย่างใ น, นจิตใจก็จเจริญเจริญเจริญแตคราบรู้ความคิดการ น, นี้นี่จะไปถึงหนทีน่ะมันก็มีแต่ว่าจวินาจนในที่สุดความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นิ้กระทั่งมันต้องการจะครองโลกมันจงแบ่งครองโลกมันพูดงครองโลกนั่บอกล็อกอะไรเรื่องมสัญญาเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะธรรมะไม่สามารถจะควบคุมได้ มองเห็นสิ่งเลวร้ายรุรนรรงนนั้นจะมาเป็นแบบอย่างนี้ก่อนสิแล้วค่อยนึกถึงว่าอะไรจะมาช่วยตัดทำลาสิ่งเหล่านี้แล้วจะค่อยนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจับธรรมะจับนั่นเองมันจะตัดปัญลายเลยพร้อมสิ่งเหล่านี้ทำให้สะอาดสิองอ่งเก่าไม่ว่ามันจะมีการเจริญทางวัตถุมากแต่ถ้าจิตจะมีธรรมะอาดอยู่แล้วมันไม่เป็นไรนวน ค, ความเห็นแก่ตัวก็ถูกควบคุมการศึกษาเปลี่ยนที่ใหม่มาสอนเรื่องควบคุมความเห็นแก่ตัวควบคุมกิเลสปัญหาให้รักขึ้นเกลียแก่เจ็ตายทาั้งหลายทาั้งปวงนี่จึงจะมี ความหมายจะเจริญทั้งฝ่ายวัตถุแต่ฝ่ายจิตใจเดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่ามีเจริญในฝ่ายวัตถุไม่เจริญในฝ่ายจิตใจโลกนี่มันจิ้มเต็มไปเลยวธิธีการยุทธศาส ต, ตร์ทุกอย่างทุกประการเลยที่จะกล่าวถ้ามันเจริญทั้งฝ่ายจิตใจมาอย่างเพียงคอกับความเจริญทางวัตถุแล้วมันกมีเป็นอย่างนี้มันจะอยู่กันพักสุขสบายอยู่กันโดวยวามรักใคร่เมตตา ก, การาุณาเรียกว่าอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแกจะไตา นักที่นายทุนก็นไม่มีเองที่คอมมินิสตก็ไม่มีเองที่อะไรทำนงนั้นมันก็ไม่มีมันแต่นักที่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> เป็นสังคมนิยมของธรรมะแต่เป็นสังคมนิยมของรรอิเลสไม่ยังเดิมแหละก็เห็นแต่พวกรวมพวกที่พอะกอบคุยเย็นี้เป็นสังคมนิยมของธรรมะแห็นแก่สังคมที่ประกอบกไปด้วยธรรมะมันก็กระทำแก่การอย่างเพื่อนเืิดแก่เจ็บตายเนี่ยสันติภาพในโลกมันจะเกิดขึ้นมาได้ <c oughs> และอะไรจะช่วยก็จะมีสิ่งที่ตัดสิ่งเลวร้ายตัดสิ่งเลวร้ายในโลกนี้ให้หมดไป ธรรมะไม่มองเห็นสิ่งอื่นได้นอกจากธรรมะธรรมะจักเราไม่ช่วยการสร้างสรรค์การรู้จักใช้ธรรมะจักให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทําเป็นตัวอย่างด้วยแผ่ธรรมะจักด้วยแผ่ความถูกต้องที่านมีความถูกต้องะในสิ่งทุกอย่างทั่วไปในโลกนั่นคือธรรมะจักทำหน้าที่เดี๋ยวนี้เรากำลัศึกษาธรรมะนศึกษาธรรมะกันควจะเอาไปใช้ให้มันเป็นจักสําหรับตัดปัญหาทั้งหลายให้มันหมดไปให้ธรรมะจักเนี่ยตัดปัญหาทั้งหลายหมดไปตัดปัญหาภายในคือความโหยหรือกิเลส ท้องกลมันก็ตปัญหาภายนอกบเมื่อกลมมันเป็นสมาธิแล้วมันไม่มีวัตถุอะไรที่จะเป็นอันตรายหรือเป็นศัตรูมันโลภตามไปอย่างนี้เองเขาพอเราทุกคนหวังพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักเกิดเป็วันนี้เป็นวันธรรมจักอาสาลหามุชาวันนี้เป็นวันธรรมจักรมันประกาศธรรมจักเป็นวันของธรรมจักถ้าถึพูดกันถึงเรื่องธรรมจักเอาที่นี่มาพูดเลยเอาไป้ถึงว่าจะมีธรรมจักอย่างไรจะใช้ธรรมจักอย่างไรที่ตัดความเลวร้ายทั้งหลายเหั้นหมดไมได้เราก็ย้อนมาเรียกว่าธรรมจัก ธรรมายตาธรรมจักธรรมญยตา <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าธรรมายตาเนีย่ยจะต้องใช้เป็นธรรมจักที่จะชำระชักล่าในสิ่งที่าามันจะมีในโลกนี้ให้มันหมดไปทำลายสิ่งที่เป็นวิจิตรการให้มันหมดไปทำลายข่าขศึกความสันติข้าให้มันหมดไปแล้วมันก็จะเลื้อยผิวแต่ความสงบสุขเราเราเคยคิดกันหรือเปล่าเราเไม่เคยเห็นตัวอย่างเลยแต่ว่าเราเคยคิดกันหรือเปล่า <c oughs> แล้วเราจะามีธรรมะกันไปทําไมเราศึกษาธรรมะกันไปทไม คอยนึกถึงข้อที่ว่าชีวิตที่สูงสุดนั่นก็คือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายชีวิตที่จะสงบเย็นเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้อย่างไรนั่นเอาสิ่งเลวร้ายออกไปได้หมดโดยอาศัยธรรมจักรคืออาตมยตาให้ใช้อาตมยตาในทุกแง่ทุกมุมในทุกความหมายเพื่อจะกำจัดสิ่งเลวร้ายให้หมดไปจากโลกทั้งโลกภายในหรือโลกภายนอกขเพื่อจะประสบแานสันติภาพเมื่อตอนกลางวันก็เลยพูดถึงอาตมยตา มากพอแล้วที่จะรู้จักความคืออะไรตัวสัส้นสรุปความก็คือว่าปัญญาอันสูงสุดสามารถทีจะมองเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะอยู่กับปู่แล้วตัดล่ามเพื่อถอนมันออกไปก็ได้เห็นตามความหมายของสิ่งที่เรียกว่าธรรมยตาตาธรรมยุตตาว่าที่จริงมันใช้ในทุกความหมายในทุกระดับในทุกกิจกรรมสิ่งที่ช่วร้ายที่้องถูกขจัดขจากจิตใจสร้างการสิ่ดถูกความรีนมขึ้นมาแทนปัญญาที่ทําให้รู้จักสิ่งนั่นแล้วกําจัดสิ่งเลวร้ายออกไปได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอธรรมยตา ใครลองคิดดูทว่ากิจกรรมไหนกรณีไหนที่มีสองชาติทำเหมอกันก็เหตุใดก็เพราะเหตุว่าม น, นุษย์มันออกมาจากท้องแม่ด้วยไม่มีปัญญาอะไรเลยยันที่กับความโง่ก็ได้ยานี่กับความโง่เล ย, ยไม่มีปัญญาก็แล้วกันเ <c oughs> พราเขามาจากท้างแมแล้วมันถูกแหวนล้อมีความคิดปิดเห็นปิดไปรุ่มลงมี่จะยินดีินร้ายคือพอใจจะไม่พอใจหลรับใจหน้าพอใจลวงเสียใจไม่หน้าพอใจโตขึ้นมาได้ความรู้สึกอย่างนี้นี่มันโง่มันโง่ก็แรทีนี้ไม่ว่ามันออกมาจากท้องแม่ไม่ได้โง่มาเฉยๆกลางๆมา ออกมาจากข้ามไแล้วมันเกิดเป็นคนโง่เพราะว่ามนุษย์มันไม่ได้มีระบบวัฒนธรรมคำสอนดีงานเสียอบรมทารกก่อสักวัดคลอดออกมาแล้วใหญ่มันโง่นั่นไม่มีนี่มุนมีแต่ทำให้มันโง่เลยต้องขอไปครูพ่อแม่แหละไม่รู้เรื่องนี้ครูเลี้ยงทารกไม่รู้เรื่องนี้มันก็พ่อเราไปแต่ควาโง่ให้ลงรักสิ่งที่น่ารักให้ลงเกลียดรูสิ่งที่น่าไม่น่ารักเด็กทารกต้อรู้จักเกลียดรู้จักรักรู้จักชอบรู้จักชังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเราตามตัวนั่นเรียกแต่เป็นทุกข นี่เป็นทุกมากขึ้นมากขึ้นจนสูงหายกขไปกถ้าโชคดีมันนึกได้ไนะมัน จ, จนลายล้างหน่อว่าการทุกไปฟนคโหนี่อันนี้มันนา่าสงสารใหมถ้าว่ามีการอบรมสังสอนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เลกเล็กตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนให้ให้เดินมาให้จิตใจเดินมาในทา ง, มงมไม่ง่อมันจะดีกว่านี้เดี๋ยม่นจะปล่อยไปเป็นไปนทางโง่แล้วก็งสงสารที่มันโง่หนักขึ้นไปอีก <c oughs> ถ้าทุกคนจะสอนเด็กๆให้เ ก, เ, กเกิดความเขาว่ามีตัวปูมีของกูผู้ย้านี่จะพูดกับเด็กๆว่านี่อันนี้อนของหนู มันไม่ได้มีการสั่งสอนได้รู้ว่ามันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวคูมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับนให้ถูกต้องถ้าเกี่ยวเกี่ยวข้องมาถูกต้องมันจะกัดเอาคือเป็นทุกข์เลยถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับในฐานะเป็นตัวคูของคูมันก็กัดเอาคือเป็นทุกข์แต่แล้วก็ไม่ไม่ว่าจะสั่งสอนอะไเด็กๆเล็กๆโดยสั่งสอนโดยตรงบางโดยอ้อมบาให้มันเข้าใจที่จเป็นตัวคู่เป็นของคู่ยกตัวอย่างว่าไอเด็กเล็กๆ่มันโดนไปชนโต๊ะจนเกาอีจนตูดกระตามแล้ามันเจ็บแล้วมันจะร้องนนนีีีี่่พเเลยรมัก็ไป ตีโต๊ะตีเก้าอี้ว่าทำทำอะไรเด็กร้องน้องกูร้องทำลูกผูร้องเลย่ตีโต๊ะตี้าอีเด็กมันก็ิ้คิดว่านี่เป็นตัวตนนน้องเป็นตัวตนนั่นก็เป็นตัวตนมันเป็นตัวตนที่จะทำลายร่างกเมต้าอีช่วยกันตีเก้าอี้ทำไมไม่สอนในทางอื่นว่ามันเป็นฉลาดทำไมจะต้องไปตีเก้าอี้ทำไมจะต้องไปช่วยล้อเด็กเข้าใจว่าก้าอี่เป็นตัวตนช่วยกันตีเก้าอีเนีม่มันไม่มีระบบที่จะมสั่งสอนเด็กให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นตามอายุ นันนีหละซ้อนหรือป่อยมันโง่มากยึดมันถือมันมากเึ้นตามอายุยิบมันของน้ำของสวยของอร่อยค่อยๆถามว่าเสื้อผาแล้วไหนสื้อให้จะซ้อใยแรกๆเนี่ยมันจะเล่นของเล่นแพงๆอย่างไรจะซื้อให้มันจะทาให้เสียความรู้เสียความรู้สึกเสียนิสัไม่มีพ่อแม่คนไหนเสียาลูกเลยเร้านของเล่นสวยๆแพงแล้วก็บอกลูกว่าทั้งแบบนี้มีว่าให้เราโง่นะลูกเอ๋ยมมีใครเลยไม่มีใครบอกลูกอย่างนี้เลยมีแต่ทาเช่าอันไหนอันไ่วยสืบที่ชอบอันไหนไม่จะซื้อให้ใครตองนี้เขาไม่ว่ามันมี หรือว่าเขากินแบบนั้นนะเขากินแพงๆตลาดตลาดนะไม่ได้บอกลูกว่า น, นี่เขามีไว้สรุะไรเราโง่นะมันจะถามมนงจะกินอะไรไม่ได้ซื้อให้มันไม่ได้สอนให้เรื่องว่าควรจะเป็นอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหลา่หลานี้จึงน่านสงสารเด็กๆมันก็เริ่มฟังในความรู้สึกเป็นตัวคู่เป็นของคู่มากขึ้นมากขึ้นอแล้วก็เป็นปทั้งโลกขนมีความต้องการในลักษณะที่ไม่จําเป็นมากขึ้นมากขึ้น แล้วก็ไม่รู้เป็นรับผิดชอบทไมจะต้องย้อมผ้าให้เสีทาไมต้องพิ่์ดอกของผ้าแล้วจึงามาใส่ได้หรือต้องปักรกันลูกไม้เป็นอะไรเามาใส่ได้นี่ความคิดมันเดินไปสานั้นเอะแต่ว่ามันไม่ตอย้อมก็ได้หรือว่าย้อมเปย้อมในทางที่คนมากกว่าในทางที่งายม่ตองย้อมสีเขียวสีแดงปักลดลายอะรต่างๆเมื่อีก็ทกันอยู่ใมันหลอกตาให้มันหลอกใจย่อยๆให้ดูดูไอ้ลายของผ้าของ ที่เขากระดิชขึ้นมาใหม่ๆมันนไม่จาเป็นเรื่องุมเกิดขึ้มาลักษณะที่เกินจาเป็นืนอมนไม่จำเป็นมากขึ้นอาหาการกินเหมือนกันลักษณะที่เกินจำเป็นหรือไม่จำเป็นมากขึ้นดูคตลอกอ ข, าขายอาหารของสมัยใหม่ปัจจุบันนี้เราเียนรูื่ออรูเรืซื้ออะไรที่อยู่ที่อาสัยก็เกินจาเป็นเกินจาเป็นทางเงินมันใช่มากรไปโกงก็มามากๆเเพาะพใช่าพานะเกินจำเป็นคันเดียวไม่พอตั้งร้ยคั น, ค, น, ค, นคันราคาหน่ใช่ไม่ได้ตั้งใช่ราคาแ้กันราคา้านนี่ยม่ได้ตั้งใ่แคตตาล่อกราคาจําเป็น แล้ก็ไปหล่ เ, เลี่ยงกิเรศน์นะฮะเรื่องทุกวันูของกูบ้าหรืดีที่เราจะ ม, นมานั่งพิจารณาโลกข้างโลกกันอย่างนี่จะเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีนะก็จะตัดสินิดหน่อยแต่ใ น, นที่จริมันเรื่องนี้แหละมันคือมันเรื่องปัญหาความโง่โง่โ ง, ง่มานขึ้นโง่มากขึ้นมีอาวามิดชาติมากขึ้นพวกนีมม้ปัญหามากขึ้นก็มีความต้องการมากขึ้นเห็นกับตัวมากขึ้นเป็นจิตใจอยู่แต่ว่าทําอย่างไรก็ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นออกมาเรื่องจีนเรื่องอยู่เรื่องน แล้วแต่ข้าวิ่งมันเป็นเรื่องเจำเป็นมากนี่มันเป็นโลกที่มืดโลกี่ล้มโลกี่ปกปครรกลุมลางเต็มไปหมดทั้งทางนอกทั้งทางในอรารอย่างที่จะไปกาดล้างตัดทำลายให้มันเปลี่ยนเต้าให้มันสะอาดให้มันถูกต้องก็ไม่มีอะไรกจกสิ่ที่เราเรียกกันว่าทำมันจับทำมันจับด้วยกันมุนจับทำมันจับครับในจิตใจของคนไปตัดความโง่ของคนเราจีรตัญหาของคนมันก็จะเกิดการูกต้องความสะอาดความสงบขึ้นมา อย่าลืวันนี้เป็นวันธรรมจักเนี่ยเป็นวันธรรมจักของพระพุทธเจ้าที่ประากาศธรรมจักแล้วธรรมจักที่เรจะไปตัดสิ่งนั้นได้ก็คือปัญญาในระดับธรรมยาาัติธรรมยติอย่างที่เราพูดกันขอขครรู้จากธรรมยติอาจจะชอบเห็นอันนี้ตัดามไอที่งราเห็นทุกตตาเป็นทุกแล้วก็เห็นอนั้ตตาไ ม, านนตา ไ, มตาไม่ใช่ต้นแล้วก็เห็นว่าธรรมะติดตตามเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าธรรมนิยามมันตามเป็นกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เราเห็น ท, ที่ท่าปัจเจตาของาะมันไม่มีอะไรจะนอกไปจากการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยอย่างอื่ไมมี มัน <c oughs> ต้องไปแต่ามเหตุตามปัจจัยมันหายถอนมาอยู่ ร, ยร้อยปีห่งปีขอร้องนอยู่ร้อยปีอยางตายท่นี้มันจะเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปได้เพียงทีท่าปฏิยาตาเพราะ อ, อวดหน่อยนะอาตมาเนี่ยมีคนขอร้องม า, ย า, อ, ายอยากพูดตยอากพูดตยอยู่ช่วยสันร้อนเขาวต่อไปไม่รักติดคนร้ายลอยนเป็นพิธกินแตงไมมา ก, มาก็ไมีบอกสมชม่เห็นดูรูดูดูดีเพราะไม่รู้เรื่องนี้เพาไม่รู้เรื่องทีท่าปฏิยตา เรามาบอกโอ้ไม่ได้เรามาตอนแรกแต่อิทธาปเจตาเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่้อิทาปเจตาเป็นอย่างไรอิทธาปเจตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นม่เป็นอย่างอื่นได้มันไปตามความต้องการไม่ได้ไม่ตามความประสงค์ขใครได้เป็นไปตามปิทเจตาเนี่ยก็เรยกว่ามันว่างกาดความหมายอย่างตัวตนโดยเฉพาจริงเป็นสุญญาขึ้นมาเป็นสัญญาตาม้วนอจากตัวตนขึ้นมาแล้วเรเห็นว่าโอ้มันตั้งเป็นอย่างนี้เองตั้งเป็นอย่างนี้เองตั้งเกิดตั้งแต่ตั้งเจ็บตั้งฆ่าตั้งเป็นทั้งต้ายไปตามเรื่องของทั้งการ ก็เลยคิดว <tiro> ่าพอกันทีเป็นอย่างนี้เป็นความทุกข์อย่างนี้มีความทุกข์อย่างนี้มีความคิดอย่างนี้โมโหมีที่เป็นอันตรายที่เป็นอันตรายเปนอักตาอย่างนี้พอเป็นทีพอเปนทีถึงเป็นของว่างเห็นเป็นไม่ว่างอย่นี้พอเป็นทีมาเห็นกันใป็นมถูกตามที่นั่นแหละกาพิจามันเดินไปถูกทางของธรรมะเกิดเป็นอัตมมิตากันมาว่าพอเปนทีพอกันทีอย่างนี้พอเปนทีเลิกเอาอย่างอื่นที่ไม่เป็นอย่างนี้คือที่มีทุกข์ที่มีความทุกข์น้อยทุกข์น้อยทุกข์น้อยจะจะไม่ทุกข ความรู้ที่จะออกมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วไปสู่ความไม่ทุกข์นี่คือความรู้ที่เรียกว่าธรรมยุตตาความรู้ที่จะออกมาจากทุกข์ไปไปอยู่อย่างไม่มีทุกข์นี่คือธตรมยุตตาท่านจั่จันเล็กเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาสูงสูขึ้นไปร้ความว่า น, นตองละสิ่งที่คนละสิ่งที่คนละสิ่งที่คนละ็ลไม่มีเมมลื้อกระบวนการธรรมยตากทุกท้ละละละสขารละังหมดเป็นนิโรธเป็นนิพพานไปเลยมันจบยังไงนี่เรียกว่าธรรมยตตาไม่จับจากที่กมกล้า คามหัดฟังเด็สิ่งเหล่านั้นหายไปหายไปหมดไปหายไปําลําดับจะไม่มีเรือจะไม่มีสิ่งเลวร้ายให้ฝ่ายกิเลสเลือลืออยู่เลยนี่อาตมยตาทําหน้าที่อย่มันจับแต่ว่าเป็นจักของธรรมะไม่จะจับที่จัมเบลิก้าที่เขามีมีกันอยู่เป็นจักรวัตถุเป็นเรื่องของวัตถุเป็นจักรภายในเป็นเรื่องของธรรมะแล้วมาคมฝวาคือสามารถจะตัดกิเลสตัญหาได้ให้จักรที่จัมเล้ามันตัดกิเลสปัญหาไม่ได้เราบอกกิเลสปัญหาสร้างขึ้นมาเองจักรนี้จะไปตัดอะไรได้ นันเป็นจากพระธรรมะเนี่ยมันจะตัดได้ยึดติดกันทีว่าธรรมิตาคือการตัดขาดจากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันสิ่งที่มันตรงแต่งเราให้เป็นทุกข์สิ่งนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันก็เป็นอะไรก็ได้ในเัดาที่ไหนก็ได้รวมทั้งหมดอะไรก็ได้ที่สนับสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งที่ทําหน้าที่ปรุงแต่งปุงแต่ให้เกิดในสังขนั้นนี่ตัวนี้ต้องตัดขาดไม่มันปรุงแต่งได้นั่นคือความหมายของคำธรรมิกตา ไม่ปล่อยให้สิ่งที่เคยปรงแต่งให้เป็นทุกนั้นปรุงแต่งได้อีกต่อไปมันยิทาอย่างนี้แปลแปลายยากกรคำนี้ <c oughs> ม, มาจะปายมคนดีไม่เคยรู้อากาศดิัริมันแปลยากหองสิ่งใดที่มันได้ปรุงแต่งเราให้จมอยู่ในกองทุกข์หมีทุกข์ใหม่่เกิดขึ้นก็ตามมันตรงไม่เกิดความทุกข์ลสิ่งนันจะ ต, ตัดขาดออกไปมีความรู้ที่จะตัดขาดออกไปรู้เรื่องนี้รู้เท่าทันมันตัดขาดมันออกไปน่นคือรมยาจะตั้งควาอะไรดี <c oughs> คุณก็ไปคิดเแล้วกันไม่พูดในภาษาททยมันยุ่งเป็นทีละภาษยบาลีม ถ้าจนปัญญาแล้วไปภาษาบาลีดีกว่าพูดกรรมะตังมิจตังมิทางติดปากมันดีกว่าจะมีลาบากแ้วก่อนจะทํเนี่ยันได้ต้องเข้าใจนะาใจกรรมะตังมิจตัสิ่ง่ตัดขาดจากสิ่งที่มันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์การตัดขาดจากสิ่งที่มันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์นี่เรียกว่ากรรมตังมตังมันจะเป็นอรก็ตามใมันรุงแต่งให้เป็นทุกข์ไปตัดขาดเลยเป็นของรักของปัตย์ใส่แหวนเงินทองอะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ไปตัดขาดแล้วก็ต่างหาพิชิตจิตมันปรุงแตงให้เป็นทุกข์ไป ในการที่เราพัฒนาอะไรกันไม่ได้เพายกบทีว่าพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองทำไปไม่ได้เพรมีคาความรู้เลยะมมยตาที่จะมาใช้ตัดอความงูกเขาล้มลในอยามยมุกนเรืองมัทตนเรือนเรื่อนะซึ่งมันเป็นค้าศึกที่คุณชมงกันค้าวความสุขหรือความสงบมันไปบูชาลไมลายนปรใชที่งแผงเกิดความทุกข์ขึ้นมาพัฒนากระ้างๆนี่มันไม่เฉพาะจะพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองพัฒนาอะไรก็ตามาจกี่อย่างกี่อย่างจะเะดีกว่าพัฒนาที่ถูกต้องคือดีกว่าเดิมเพราะตมยตา อื่นไม่มีวิธีอื่นมีถ้าวิธีอนมีมีก็คือเรียกชื่อวารรมยตานเลยแาจะมีวิธียางได้มากี่กี่วิธีกี่สิทิ่วิธีกหน้าที่อย่างนั้นก็เรียกชื่อว่ารรมยตาลแต่คนจะมีวิชาไม่รู้จักชื่อมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีเลยไม่รู้จักชื่อม่เรียกชื่อถูกก็เอาถ้มันตายสิ่งที่เป็นค่าพิถูกได้ก็ได้ฮะที่จะเินจรดิญขึ้นมาจากความหลงความโง่อวิชาจะเินขึ้นมาเสียจากความโง่เสียจากอวิชากิเลสตัณหาจป เดี๋ยวนี้โลกกำลังดำเนิตกงไปตกลงไปในความโง่วิชาปันหาูชาฝ่ายบวกฝ่ายบวกที่ฝ่ายบวกฝ่ายได้ฝดีฝ่ายหน้ารักหน้าพาใจเดี๋ยก็เรียกันว่าโคตรซิตมทางหนึ่งก็ไปโง่ไปลงเกลียดกลัวไปแมกระที่มือฝ่ายลบมันก็เลยเป็นศัตรูทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบวกทั้งฝ่ายลบท้งฝ่ายดีฝ่ายชิ่ะฝ่ายดีทั้งาโง่ให้หงฝ่ายบวกก็ูให้ดห้ลำบากทุกอย่างไปกันทุกทั้งสางฝ่ายเรืเรามาตัดความโง่อันนี้เสียไว้จะไม่โง่จะไม จะปฏิบัติต่อสิงหลานั้นให้ถูกต้อสเรประโยชน์อยู่อย่างสนุเย็นแล้วกันไม่ต้องเป็นความหลงอย่างเร่อตามารรื่งเพศนี่ไม่ต้องถึงกับละถ้ามันเป็นจํิเป็นมีแต่ต้องมีนก็มีอย่างที่จาเป็นแต่ต้องมีาจเป็นแต่ต้องมีหรือทาทีแต่คาจัดที่แต่จำกัดควบคุมไม้ได้ว่าอยากให้มันเป็นอันตรายเดี๋ยวนี้มันลงบูชาเป็นสระสูงสุดยิ่งกว่าใดใดคนทีดนี่นะถ้าสมมว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาครอบกันเดียกนางงามตะการวางมาแต้วมันไปรับนาความมาการห็นไปมดม่ม ขั้นลงขนาดนี้กำลังมีอยู่หรือไมนไม่มีอะไรพิสูจน์พรญญะุทธ้าไม่มี เ, าเมา น, นงานจากจักรวาลมีโอกาสี่มีมาล้วเลยไม่มีทางที่จะพิสูจน์ว่าใครจะไปรับแผ่มากพะเนวเองแล้วกันถ้าบูชาบวกบูชาโสตสตสวยงามจะอร่อยจนคนน้มนที่คนทั้งโลกก็บูชาอยู่นี่น้าตัวคนที่ไปตอนรับคานจะอไปไ ป, ไปรับนางงานจากกักรวาลนี่ตอย่างนนเนาะมันจะเสียร์รำคิดตัวเองดู้าว่าเรากำลังล้มกันอยู่สักีมานอยลมาพูดเนรื่องธรจักดีกว่าตัดตัดตัดในความโง่ความลงทุกชนิดทุกขนาด ทุกเวลาทุกสถานที่หมดไปด้วยทําจากทําจากคือธตรมจักรตามีสติปัญญาไม่ง้อไม่ล้มกันมันนี่มันจะมาหล่อให้ล้มกันแล้วก็ไม่ล้มกันมันนี่นี่จะเป็นอรรมจักรตาเรื่องนี่จะนํามากล่าวให้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวสำหรับการศึกษามก็มีอยู่มากแค่เมื่อพระพุทธเจ้าได้สัตว์มีสาวกเกิดเป็นบางแล้วพอทุ่นแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศในอุตสาวกนั้นว่าสุดทิ้งลายทางวัดนี้เราก็พ้นแล้วอยากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงทิพและบ่วงนุช น่เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงทพไปบ่วงมนุษย์เอาไปไปไปกันไปกันไปกันไปคนที่เป็นประธานเไปซอนกันเลยไปเผยแผ่ธรรมะไปประกาศธรรมะไอสัตว์ทั้งหลายมันนีความทุกข์มันจะเลพิมจากความทุกข์เพราะว่าสัตว์ที่มัโง่เง่ามากมีสติปัญญาเด็กฟังถูกใจใจเด็กนี่มันมีอยู่ไปไปไปประกาศปฐมจันทร์ประกาศศาสนะงบูรณาขัดถ่าั้งขยันชนะให้งดงามทั้งเบื่อนทั้งกลางลเบื่ปลายไปไปไปไปฉันก็จะไปทางหนึ่งด้วยกันนี่เราจะทในเปรียบแต่ว เราก็ไปกระทำไปทำไปกระดึ๊กไปทำจับทำจับให้รู้จักตัดสิ่งที่ควรตัดในความทุกข์นนี่ก็เป็นรพระประสงค์อะไรที่ทำให้พระเจ้าข้อนจากบวมคลิปหระอบวมนุษย์อะไรอะไรมันก็คืออรตัญตาตัวเดิมปฏิทัศนตัวเดิมอรตมญตาที่หลักและปติทัศน์ถา อ, อกมาจากการครองเมืองออกมาบุญอรมัญญาตาตันั้นนั่นก็ดําเนินการตอ่ไ อ, ตอไปต่ไอตไปจปถึงที่จุดคือจบหน้าที่ ที่ขอบใจกันไหมขอบใจอาจารย์มยาตาไงที่หลักแล้วพระะสิทธธาออกแบบมาจากเมืองออกมาเป็นพระเจ้าอาจารย์มยาตานะมันเป็นบุญคุณของอาจารย์มยาตาไม่ไปขอบใจมากเลยไม่รู้จักให้ตัวเองแหละจะไม่ได้รประโยชน์อะไรฟัง <c oughs> ตัวเองอยู่ในวองทุกข์เขาค่อยสนใจอาจารย์าตาตหรเราเป็นธรรมดาจ ะ, จะใช้กำาไซหวออกมาจะจำเราพระสิทาเราไม่กลา้าให้คำวาไหัวออกมาจำาขอให้ะสท า, ามองเห็นอะไรยัทําให้อยู่ในวันไม่ได้ แั้ทีจะเป็นอตอมยาตาตสุดท้ายนี่นนคือที่ตื่นนอนขึ้นมาก่อนในนางบำเรอทั้งหลายจะตืะต่นไปทำกะรอนนันดูเป็นสาการ น, นี้แล้วก็เลยมหน่ายไปออกอตอมยัตตาลับสห้ออกเราจะใช้คำว่าสหัวเฉพาะฝ่ายเลที่เรียไ ส, ห, ออสยหัวขอขอาหาความทุกข์อตมยัตานี่มันจะเป็นผลักสเชื่อๆก็้ออกไปหาความดับทุกข์เราจะขอบใจอตอมยาตา มันเป็นเตัดบวงทั้งบวงคิปบวงมนุษย์มันก็ว่าในแต่รบอ่ะมันมีลวดน้ำแบบน้าเพราะก์มปนกขุดดักกันเอาให้ก็มีรถถังนิดหนึ่งมาตัดทิ้งหมดเลยธรรมยตาก็เหมือนอย่างนั้นแหละมันจะตัดไอบวงคิปบวงมนุษย์ที่กูกพันนั้นจะทลายไปธรรมยตานี่มันช่วยบุกเข้าไปในทางที่สูงกว่าบุกเข้าไปทลายสเนเรราหล่านั้นธรรมยตาบุกเข้าไปในกามาโลกไปทาลายความล้มในา อรยตาบุกเข้าไปในรูปรโลกไปทำลายความลงในรูปในรูปธาตุะธรรมยตาบุกเข้าไปใ น, นรูปรโลกไปทำลายการลงใ น, นรูปราธาตุหมดความลงในรรมธาตุรูปธาตุรูปธาตุหมดหมดก็หมดนะสิ้นไปือยแต่นี่พานาธาต <c oughs> ุือเลยออกไปสู่นิพพานธรรมยตาบุกเข้าไปบุกเข้าไป <c oughs> ค้นหาข้ามไ้สิที่ไร้่างไร้รูปแจมอยู่ในกองทุกข์ท่านละเอียดท่า น, นเป็นนีริตเปนีิจทานหลอกให้เห็นว่าเป็นดีเป็นิเศษถ้ายังอยู่ในกองทุกข์ยังติดอยู่ในกองทุกข์มันจะดีิเศษไปหมล่ะ เรื่องสวรรค์วิมานมันจะดีวิเศษนหลก็มีให้อยู่ในกองทุกข์ฉันมมันโลกเหมือนกันแหละมันยังราให้มีตัวตนมีตัวู้อยู่ยู่้ชูัอยู่นั่นแหละมันวิเศษไปนี้หละเป็นสวรรค์ฉันกาวจจรือรูปวจจอน่เรามันจะไม่ิเศษปได้ถ้ามันทให้ลงตดอยู่ที่ององทุกข์นี่จะตั้งบุกไปจะตามจะตามบุกไปทลายอาสาทะเสนหรือรถอร่อยทั้งหลายที่มีอยู่ในกางธาตุในรูปธาตุในอรูปธาตุนะพอสิ้นจบหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วมันก็เป็นน กิเลดเนีมันล้มล้ายอยู่ในกับสิ่งที่ผูกพันจิตที่มีกิเลสมัาลยล้มล้ายอยู่กับสิ่งที่มันผูกพันเรียกว่าอุปาทานยจะทำก็ได้สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเมื่อมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานแล้วมันก็มีอุปาทานยึดมันถือมันมันต้องรื้อสิ่งเหล่านี้ออกมีสิ่งเป็นที่ตั้งแหอาสวะเรียกว่าอาสวัตฐานีจะทำก็ต้องรื้อออกไม่มีใครรื้อออกนอกจากอาตมยตาแต่มีความรู้ขนาอาตมยตามันจรื้อระรากของอาสวัฐานีทำหรืออุปาทานีจงทำ นิดในการยดมันถือมันนิดนการสะสมกิเลสมันต้องใช้อาการรุนแรงที่เราียกว่าเผามันหมดไปเขาให้มันหมดไปมันเอาไฟเผาอะไรเขาให้หมดไปธรรนที่ตาแห่งอาสวะแห่งปารารันิจเผาให้หมดไปเขาให้หมดไปแ้มันอะไรอย่างนั้มันมารวมตัวกันตัวตนตัวตนตัวตนตัวนแล้วต้องกจัดตัวตนหมดไปเขาสิ่งที่เรียกว่าตัวตนตัวตนน่ะไม่มีเหลืออยู่พิธีโง่ฝ่ายซ้ายเป็นศาสนาพิธีคือมีตัวตนมีตัวตนพิธีโง่ฝ่ายขวามันก็รู้ไม่มีอะไรเลย เป็นนักจิกแพิย์ิธีมีมันจุดตรงสองข้างมีตัวตนมีตัวตนถึงที่มันจะสนิพิไม่มีอะไรเลยเป็นนักจิกาพิย์ิธนั่นนี้เป็นความโมกหพอๆกันจะมันอยู่ตรงกลางมีตัวตนมีตัวตนแต่แบบไม่ใช่ตัวตนมีตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนอะไรอะไรพิจิตรู้สึกเป็นตัวตนไปดูเดียวมันไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นสัมมาพิธิเรียกว่าอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนมีตัวตนที่มีความรู้สึกอยู่ในใจแบบตัวตนให้มันไม่ใช่ตัวตนนั้นถึงเรียกว่าอนัตตา ไม่ใช่ว่ e ม t นจะไม่มีอะไเอัตตามันมีตามความรู้สึกตานตมใครรู้สึกาอะไรเป็นอัตตาคุณดูเไยมว่ามันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาแต่มนุษย์มันต้องพูดอย่างเป็นอัตตาเพราะั้นไม่รู้จะพูดอย่างไรแม้พระจะเจาก็จะที่เป็นอัตตาอัตตาที่เยอยะไปหมดเหมือนกันอัตตาหิตอัตนมัติที่พระพุทธเจ้ารั้นต้นเป็นที่เป็นต้นต้องมีรู้กับที่เรามีอัตตาที่เป็นอัตตาแต่ที่ว่าต้นเป็นที่พื้นของตนไอ้ต้นต้นนี้ก็มีใช่อัตตาถ้ามันต้องใช้ตัวมัน แ้ก็พะาสิทธิ์จตพอนัตตารายมีมากเพียแยะนะ้าเกิดพูดป็นอนัตตาถ้าพูดถึอนัตตาก็บว่ามันไม่ใช่จุดต้นจะพูดถึงอนัตตาจะพูดถึงชาวบ้านพูดเชาวบนฟังถูกเม่ชาวบ้านพอใจชาวบ้านสนใจทิฏฐะสมั่งใจมันความรักเสมอไปตนไม่มีจงฝึกตนจงฝันฝันจนจงยกตนนั้นเองก็มีเะยไปหมดตนตนนตอย่าลืมที่ตัดลืมต้นนั่นเป็นอนัตตาต้นที่เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นมรรมทิฏฐิถ้าเป็นอนัตตาล้วนๆนะก็เป็นมิจฉาทิฏ แบ่งแยกได้เป็นสองพกพวกหนึ่งสัพพังอัตติสิ่งทั้งปวงมีพวกหนึ่งมันสัพังติสิ่งทั้งปวงไม่มีนี่ัสุดโตกอย่างนี้พระ้อยาอย่างนั้นนัที่ัต า, ตาันและแต่เหตุปัจเนั้นมีตักรเก่ามีจักก า, ารปรงแต่งเปนไปทั้งมนัม่นก็เป็นอนัตตานี่อนัตตามันไม่ฉุดเป็นสมาธิมันอยู่ตรงกลางไม่ใช่สัพพัอัตติสัพพันักติจึงไม่เป็นสัจธรรมทิฏฐิจึงไม่เป็นนัตติการทิฏฐินั่นพูด ไม่ไม you know, ่ไม really? like ่ไม่มีอัตตาจะมีอัตตาซึ่งม่ใช่อัตตาเนี่ยกุตตสนาแหละมีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานี่ยแหละเป็นเป็นอนัตตาหรืออานัตตาถ้าเป็นตัตตาไปเจมัก็เรออัตตาตามแบบมันจะว่าไม่มีอะไรเลยนี่อัตตานี่อัตตาตามแบบมนมิจาทิฐิควหนึ่งแต่ถมีอัตตาซึ่งไม่แช่อัตตานีก็เรียกว่าอนัตตาอนัตตาอยู่ตรงกลางถ้ามันมองเนอัตตาชนิดนี้มันจะไม่ยึืออะไรเลยนจะท้อออกจากคารยึดถือทั้งหมดก็คืออธรรมไยตามันท้ออัตตา เ็นทุกอย่างเป็นอนัตตาคือเป็นอัตตาที่ม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตามันยังเลือลกะหมดทั้งศาสนาทิธีและนักจิตกับพิธีเลิกละหมดทั้ ง, าา mm. งตัวตนและังของตนมันจึงขนาดเขาไปเลยไม่มีตัวตนเหลือไม่มีตัวตนสำหรับยึมัน่นหรือมันเดิมภาธานเขามันมีตัวตนถนงม้ใช่ตัวตนอาที่นี้เ่อขาล้างควากเป็นอะไรมันก็จะต้องสร้างสรรค์อะไรกันมาหน่อยม็สร้างสมาธิปฏิฐานอานาจักแห่งสมาธิเป็นมาใหม่แทนอานาจักนรกแห่งเรไรไง นันนากต้อมาทิฏก็คือธรรมานาจหรืออาณาจักแห่งอาตมยตาเป็นอาณาจักอาตมยตาวบคุมอยู่กุ้งรองอยู่คนโง่ไม่ได้โง่ไปลงนี่นอั่นในสิ่งไม่ได้เนี่ยอาาจักแห่งธรรธรรมานาจอาณาจเนี่ยถูกทําจับทำหน้าที่ให้คนท่านไร้ภาสว่างสบาโงไม่ลงอะไรไปหนักใจเก่อไปธรรมจักช่วยเป็นอย่างนี้ก็ทํามานาจขึ้นมาก็คืออาณาจักแห่งอาตมยตาอาาจักแห่งอาตมายตาคงจะม่มีใครดะยินไปยินไป้วยกุฎา เดี๋ยวนี้ลองมองเห็นลองมองเห็นธตรมชาติที่มีบุญคุณอย่างยิ่งที่ตอนการออกจ่ากองทุกใสหัวสัตว์เนี่ยออกจากองทุกมันไม่อยากออกไปใสหัวมันออกจากองทุกไปจนได้ในที่สุดก็มีผลที่ต้องการคือสันติภาพสันติภาพชีวิตจะไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนนะครับรถมาเร่ามาย่ำยีมาปิดขั้นเป็นอิสระเสรีขั้นจากหน้าแข่งกีฬาในความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นโลกที่ว่างว่างจากอัตตาแต่ก็มีธรรมะมากมายไม่มีอัตตาว่างจากอัตตาแต่มีกรุณา ในโลกนี้หนาวใช่ไหมไม่มีตัวตนแต่มีการุณยไม่มีตัวตนที่จะมันเห็นแต่ตนมันก็เห็นแต่ผูอื่นว่ารักูอืนในโลกไม่มีตัวตนแต่มีการุณย์เาไม่เห็นแต่ตนเองเพราะมันไม่มีกิเลสจะเห็นแต่ตนมันต้รักอื่นเป็นไปด้วยกรุณย์หล่วงแล้วมันมีมีเบ็้ามมียินดีมียินได้ไม่บาดีไม่หลงดีไม่บาช่วยไม่หลงช่วยไม่หวัวไม่ลบไม่ยินดีไม่ยินได้สิงทั้งพวงเป็นอนัตตาจึงให้ไยินดีินได้ันสิ่งไดที่มาให้รักก็ไม่รักก มัน่ไม่สงสัยลงไลเอาค่ะความว่นายมันก็ไม่มีนันก็ไม่สงสยัยมันไม่มีความต้องการอะไรมันก็ไม่มีเกิดที่เรไม่เกิดที่เรยประเภทโมหะไม่เกิดที่เประเภทโลภะโทสะโมหะนั่นหลสันติภาพสูงสุดอยู่ที่นั้นภาพสงบเย็นสูงสุดอยู่ที่นั่นความรู้สูงสุดอยู่ที่นั่นจุฬาจารย์บอกว่าความสินราค่าสินโทสะสินโมหะนี่เป็นปริญญาปริญญาเป็นความรอบรู้สูงสุดที่คุณได้รู้แล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดคือสุขสิ้นเชิงมีสันติภาพมีสันติภาพ ความอำนาจแห่งความรู้ที่มีชื่อว่าอะตามายตาความรู้ที่ทาให้พูดออกมาว่าผู้แม่อากับมือต่อไปในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์พราะกันที่พรกนทีเลิกกันทีถ้าใครเข้าใจอย่างอื่ไม่ได้ก็ทาได้ไง่ายๆว่าอตามายตานะ่ะมีความพอกันทีเลิกกันทีอสิบบ้าๆอบๆอย่าไปลไสอะไรกับสิ่งนั้นต่อไปนันนะคืออะตามายตามนคืเป็นจกักรที่กล้าสปั ญ, ญญานี่ยกเป็นจกักรที่กล้าัาดปจ า, า, ายปหมดทั้งโลกกั้งนอกและโลกข้างในปันนดลโลกข้างในลายแล้วไป้างนอกว นี่ยคือธรรมยตากับธรรมจักวันนี้เป็นมาธรรมจักรู้สึกอยู่เสอวันนี้เป็นมาธรรมจักเนย่างพูดเสร็จแล้วเรือกัรเรียนพิเศษเรืกันอย่างนี้ไม่ีไม่มีไม่มีธรรมจักคนนั้นไม่มีธรรมจักถ้ามันมีธรรมจักก็ต้องมีสิ่งที่ตัดทำลายสิ่งที่ควรตัดนั้นสิ่งนั้นก็เรียกว่าธรรมยตาเรื่องที่พูดวันนี้คือพู้เรื่องธรรมยตากับธรรมจักใครเข้าใจก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยประกอบเรื่องธรรมจักวันนี้ก็เดยเรื่องอธิบายธรรมยตาเพิ่มเติมน เมื่เราทำต่งหลายคนจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมจิตตาเพิ่มขึ้นจากที่เคยรู้มาแต่ก่อนหรือเพิ่มขึ้นจากทีได้ยินได้ฟังเมื่อตอนบ่ายตอนเย็นฮะอนี้ตอนข่ําพูดขยายความประจําแนวของคําว่าธรรมจักรธรรมจักรธรรมจักรเพราะวันนี้เป็นวันธรรมจักรกขาให้รู้จักธรรมจักรแล้วค่อหรู้จักใชายธรรมจักรรู้จักชายธรรมจักรถ้าไม่รู้จักใชายธรรมจักรธรรมจักรนั้นก็ไม่มีตอไม่รู้จักใชายธรรมจักรธรรมจักรมั้นจึงมีนี่เรียกว่าศาสนาจะมีอยู่กับเราก็ต้องใเราใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ ถ้าอยากให้พระศาสนาเจริญคุณงรีบช้ศาสนาใครจะว่าบาบอยหน่อยสมัยเราพูดอย่างนี้ถ้าอยากให้พระศาสนาเจริญคุณจึงรีบช้ศาสนาเป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละมันจะทำให้พระศาสนาเจริญไม่ต้องซื้อหาพระมาแขวนคอหรือไม่ต้องเบิดแล้ได้พุทธาพิเศษนั่นก็ดินได้หมนกันคุณรีบใช้ศาสนารีบช้ศาสนาให้มากที่สุดหศาสนากรจะเจริญยิ่งช้ยิ่งมีมากยิ่งไม่ใช้ยิ่งหายไปน่าจะจังไหมใช้ก็ว่ามันจะมีแิ่ถ้าไม่ใช้มันหายไป จะบำรุงศาสนาก็ขอให้ร well, ีบใช้ศาสนาถ้าใครอยากไปบำรุงศาสนาแบอย่างโมโหหวังอะไรีบใช้ศาสนาเป็นประโยชน์ศาสนาก็จะเจริญในการที่รับช้ศาสนาถ้าเราอยากให้ศาสนาเจริญอย่างนี้เรารู้จากธรรมะในลักษณะอย่างนี้มีธรรมยตาเป็นเครื่องมือในการที่จะปฏิบัติศาสนาเอาหัวใจเพชรแมตเตกของศาสนาเคื่อธรรมยตามาใช้กำจัดสิ่งที่ควรจะกำจัดไม่ควรมีอยู่ในใจนั่คือการใช้ศาสนาเป็นประโยชน์ เราข้องสดท า, าอย่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ไ ใ, ให้มาปีนเพรามาอยากไปนหนแคุณนักปนอย่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ไ่ให้คุนักปีนเองนี้ไม่แต่พิธีรีตองมำุมงเทปเป็นการใหญสมบูรณ์ธรรมชาตการใหญ่แลวก็เหมือนกับว่าลี เ, เป็ดเลี้ยงไก่ไวก่ถือนักปีนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากภาษาศาสนาั้งเลยคือจากเป็ดไก่นั่นเลยไกมาให้าะถนักปีนไม่สนใจในคนที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลี้ยงไม่ได้สตาร์กไม่ได้รับประโยชน์มันก็ คนที่ใส่บาแล้วใคกินทุกวันนี้มีเงิอะไรแก็พลังที่าไม่เคยเสียสถานในส่วนนี้ก็ามาเอามาค่นเอาไปเลี้เป็นเลี้งไก่ไว้ไก่ ไ, นไนคนอื่นกินเขาเองไม่กินนี่ก็เยเป็นควาผิดพาดมีความไม่ประมาทในสีทุกสถานเถิดตบเ ท, ท้าซ้อนอย่างนี้ฉัวางอย่างนี้ฉัขอร้องอย่างนี้นนแล้วพอสมควรแก่เวลาแล้วลว่าทำนิยตาเป็นธรรมจากติดตัดี่ชื้อชื้อผาขี้ริ้วเชื้ส่วนที่เป็นขี้ริ้วเป็นางคืนเราไปเสียจากส่วนที่มันเวนจากสะอาดสุมจนคือตัวศาสนาแท้ <c oughs> รวมรวมศาสนาด้วยกันใช่ตรรนจตาเชือๆในสิงที่มันควรจะมีอยู่นในจิตใานี่ใช่าศาสนาอย่างนี้่าทำให้าศาสนามีอยู่มีอยู่แล้วจเจริญเจริจเจริที่เป็นความสุขสวัสดีแส่บุคคลนั่นเนื่ยแลลวท้อยุติการบรรยายครั้งนี้ว่าเกียวกันนี้